هل <Hal> جزاء الاحسان الا الاحسان تم <'ihsāni> มีการตอบแทนอันใดเล่านอกจากความดีในปรโลก Nabi <Fa> ay ay rabbikuma tukazziban ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ O <Wa> min duna <dūni> huma jannatan และอื่นจากสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้น แล้วยังมีสวนสวรรค์อีก 2 แห่งดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธสวนสวรรค์ทั้งสองนั้นเขียวชอุ่ม ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีตาน้ํา 2 แห่งที่พวยพุ่งออกมาอย่างไม่ขาดสายในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีตาน้ํา 2 แห่งที่พวยพุ่งออกมาอย่างไม่ขาดสาย ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นมีผลไม้และมีผลอินทพรัมและผลทับทิมซะบีไออาลาอิรบุกุมาตุกัซิบา ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวที่มีมรรยาทงามดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ หญิงสาวผิวพรรณขาวผ่องในตาคมที่เก็บตัวเฉพาะสามีของนางเท่านั้นอยู่ในกระจกดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและมีผู้เสมือนอินซก่อนพวกเขาและไม่มาซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียิน เคยแตะต้องตัวนางมาก่อนเลยนะบีไออาลายรบกูมาตุกดบันดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธมุตตะกีนอะลารัฟรฟินคุดรวะบะกอรินฮิซานพวกเขาจะนอนเอกเหนกบนหมอนอิงสีเขียว และพรมที่มีลวดลายอย่างสวยงามนะบีอายาลารบกุมาตุกัซิบานดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธซะบะเราะกัสมุรบบิกดิลจาลานวัลอิกรอมพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงประเสริฐทรงจำเริญยิ่ง